ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายประสูตธ์ในวันนี้จะพูดถึงอุโบสถสูตรในอติการใบาทอังคุตรนิกายในคราวหนึ่งเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่บุพพารามนางวิสาขาได้เข้าไปเฝ้าและกราบทูลพระองค์ว่าขณะนี้นางกำมังสมาทานอุโบสถศีอรักษาสีนอุโบสถ พระพุทธเจ้ารับสั่งแสดงบ่าดุก่อนวิสาขาอุโบสถตศีลคือการรักษาศีลอุโบสถนั้นในโลกนี้ก็มีอยู่สามประเภทด้วยกันประเภทแรกเรียกว่าโคปาละอุโบสถคือการรักษาอุโบสถเหมือนกับคนเลี้ยงโครทรงอุปมาว่านายโคบานที่เปเลี้ยงโคนั้น ในขณะที่เลี้ยงอยู่ก็กำหนดไว้ภายในใจว่าหลังจากส่งโคให้เจ้าของโคแล้วตนก็จะได้ของได้เงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้เมื่อได้เงินแล้วก็จะไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้จิตใจก็หมกมุ่นครุ่นคิดวางแผนที่จะจ่ายเงินซึ่งได้มาจากการเลี้ยงโคแล้วก็ เอาก็จริงแล้วน้ำนมโคที่ตัวเลี้ยงอยู่ตัวก็ไม่ได้ดืม่มการรักษาโวสุหคือของบุคคลบางพวกดวยการเข้าอยู่นะครับว่าคำว่าโวสุดแปลวาการฆ่าจ้ของคนบางพวกก็มีลักษณะอย่างนี้คือผ่านวันเวลาไปได้วยความจึกนึกที่จะกินสิ่งนั้นกินสิ่งนี้ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี้ นี้ก็ชื่อว่าเป็นลักษณะของโคปาลอุบาสถโคปาลอุบโบสถอุบโบสถที่เหมือนกับนายโคบานเลี้ยงโคประเภทที่สองเรียกว่านิการถาอุบโบสถพวกอุบโบสถเหมือนกับของพวกนิครณได้ แ, แก่นักบวชจำพวกหนึ่งนอกพระพุทธศาสนาพวกนิครณนั้นก็ตั้งกฎตั้งเกณฑ์ ตั้งกติกาขึ้นม า, ากินน้ำเย็นไม่ได้จะต้องดื่มน้ำร้อนแา่ใครไปขืนดื่มน้ำเย็นเข้าถือว่าเป็นบาปแล้วก็มีการกำหนด <c oughs> ให้คนประพฤติปฏิบัติที่เผ็ดแปลกออกไปมากมายตามความเชื่อถือของนิกุเหล่านั้นการรักษาอุโบสถในลักษณะนี้ การประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะนี้เรียกว่านิการถาอุโบสถและการที่สามเรียกว่าอริยะอุโบสถคืออุโบสถแบบพระอริยะหรือตามพระอริยะก็ทรงแสดงไว้หลายขั้นแต่ก็าขอบขายเดียวกันคือขอบขายอย่างหนึ่งได้แก่คนที่ปฏิญาณตน เป็นอุบาสกบาสิกาเป็นภิกษุเป็นสามันเน็ตไม่ใช่เป็นอุบาสกบาสิกาได้ผ่านวันเวลาไปนอกจากในขณะทำการงานให้น้อมนึกอยู่ในพุทธคุณจะทำให้จิตใจของบุคคล น, นั้นส ง, งบใจมีเครื่องอยู่ของใจ คือมีอารมณ์เลิศมีอารมณ์ดีเรียกบางทีว่าเทวตาอุโบสถหรือไม่อย่างนั้นก็น้อมลำลึกถึงพระธรรมคุณแต่ในใ น, ในแต่ละบทหรือว่าตลอดทั้งหบทใจก็ประสบอารมณ์อันเลิศก็เรียกว่าเทวตาอุโบสถ การอยู่แบบเทวดาและอยู่ด้วยรุมเลิศแต่แม้แต่ใจที่น้อมน้อมลึกถึงพระสังฆคุณก็ทำหนองเดียวกันประการที่ที่สูงขึ้นไปในชุดนี้ที่จริงก็มีความประนีตขึ้นไปกระสงสะแสดงว่าบุคคลได้มาพิจารณาเห็นถึงคุณของพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกเห็นว่าพระอรหันต์นั้น ไม่ฆ่าสัตว์วางตราอาวุธมีความสำรวมระวังมีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายเพรา ะ, ะเราก็ต้องลอกเรียนกิริยาอาการของพระหันหรือท่านปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติอย่านั้นจะน้อมระลึกไปว่าพระหัน์ทั้งหลายนั้น ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไปได้ให้ด้วยอาการแ่งกระมยแม้ความคิดอยากได้ของของบุคคลอื่นในทางที่ไม่ชอบทำก็ไม่บังเกิดขึ้นอยาได้ของอะไรมาก็ได้มาด้วยความเพียรพยายามของตนเป็นหลักของสมาชิพก็เกิดความพอใจยินดีที่จะลอกเปลี่ยนกริยาของพระอราหันต์เหล่านั้นพิจารณาเห็นว่าพระอราหารันตัางหลายนั้น ประพฤตโปรมจัน์ไม่เกี่ยวข้องในทางเพศทางประเภทนี้มีจิตคลายจากความกำหนัดจินตในอารมณ์เหล่านั้นไม่ล่วงละเมิดในสตรีและบุรุษทั้งหลายก็เกิดชื่นชมสมนัดที่จะปฏิบัติตามคุณสมบัติของพระอระหันต์เหล่านั้นด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้น และเกิดศรัทธาเริ่มใสในคุณของพระรหันซึ่งว่าคุณของพระราหันนั้นเขารู้อย่างไงก็ต้องมองย้อนกลับไปตอนต้นว่าเกิดจากการสาทยใหญ่ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วจิตใจเกิดความซาบซึ้งเกิดความศรัทธาในคุณของพระรหันก็พยายามที่จะลอกเลียนกิจยาของพระรหันโดยการงดเว้นจากการพูดคำเท็จ มีวาจาที่มั่นคงเป็นหลักเป็นฐานประกอบด้วยประโยชน์เป็นวาจาที่จริงแท้ถูกฟังฟังไปแล้วก็เกิดประโยชน์แปรความคิดที่จะโกหกจะหลอกลวงคนอื่นก็ไม่มีก็เกิดความพอใจที่จะลอกเลียนกริยาของพระอรา ห, ารหันต์ต่นนั้นพระอรหันต์เป็นผู้มีสติสมบูรณ์พระงดเว้นจากการเสพการสูบการดื่มสิ่งที่เสพสิ่งที่ทาผู้เสพผู้สูบผู้ดื่มให้หมึนเมา แต่อยู่ในความประมาทก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสที่จะลอกเลียนกุริยาเานั้นมองเห็นว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายบริโภคอาหารเพียงมื้อเดียวเพียงครั้งเดียวไม่บริโภคอาหารในตอนเย็ น, น, นใดตอนกลางคืนเป็นผู้ประพฤติเบาไม่ต้องบุญบายในเรื่องอาหารก็เกิดศรัทธาที่จะลอกเลียนกุริยานั้นมองเห็นว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลาย ไม่ข้อนไม่ขับไม่ประโคมดนตรีหรือดีอสีตีเป่าต่างๆและไม่ดูการละเล่นต่างๆปลกใจของตนออกจากวัตถุการมมันเป็นที่ตั้งแห่งความขันดักรกใคร่ยินดีทั้งหลายก็ต้องการที่จะลอกเลียนมองเห็นว่าประหารทั้งหลายประดับประดับไม่ประดับประดาร่างกายด้วยระเบียบดอกาม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องตาเครื่องวัตถินผิวต่างๆอันก่อให้เกิดความกหนัก รักใคร่เย็นดีในกายในความเพลิดเพลินในการมาคุณก็ปราถนาที่จะลอกเลียนกุญยาเหล่านั้นแจะมองเห็นว่าพระหันตั้งหลายไม่นั่งไม่นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่แต่นอนในที่นอนต่ําหรือตามพื้นตนก็ลอกเลียนกุญยาอาการเหล่านั้นแล้วทรงแสดงโดยสรุปว่านี่แหละอุบาสกเอ่อ อุโบสถในโลกที่คนก็รักษากันก็มีอยู่สามประเภทใหญ่ๆอย่างนี้นี่ก็เป็นข้อความโดยสรุปในอุโปเสทสูตรหรือในอุโบสถสูตรต้องฟังตั้งหลายก็นึกออกนะครับว่านางวิสาขานั้นก็เหมือนกับลูกสาวรู้สึกว่าสองคนนี้เป็นสำคัญมากเลยอนาตบินธิกะกับวิสาขา เป็นคนเอื้ออาทรเอยใจใสในวัดวาอารามทาั้งๆที่ตัวเองก็เป็นเศรษฐีมีความสะดวกสบายแต่เช้าก็มาวัดเย็นก็มาวัดมาดูแลความเป็นอยู่ของพระภิกษุสามเณรไปเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้างก็แก้ปัญหาให้แล้วก็แวะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมแต่ตามปกติพวกนี้จะไม่ค่อยกล้าถามนะฮะไม่ค่อยถามไม่ค่อยกราบคุณอะไร นายวิสาขาอย่างขายันพูดอนาตบินทิกะเศรษีนี่ไม่เลยคือท่านธนุท่านหนอมท่านมองพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจริงๆแต่ต้องไม่ได้กลัวจะช้ำคือท่านบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นกรรษัตริย์ที่ละเอียดอ่อนเป็นพระพุทธเจ้าที่ล ะ, ะเอียดเอียดอ่อนถ้าให้พระองค์แสดงธรรมแก่เราพระองค์จะเหน็ดเหนื่อยลำบากเลยพระพุทธเจ้าต้องเทศเองทุกทีเพราะว่าคนฟังเทศไม่เคยขอฟัง พอมาถึงก็ต้องหาเรื่องเทศให้กันนงึงทุกทีแต่นาวิสาขานั้นท่านเป็นมีลักษณะเป็นแม่บ้านนะคือเอาเรื่องเอาเราวมีปัญหาเกิดขึ้นแก่พระเราถ้าพระเรานี่ถ้าไม่มีนางวิสาขาเนี่ยแย่มีเยอะนะฮะที่วิ่นในที่พระพุทธเจ้าบัญญัติโครมลงไปแลแ้วแหมสะเทือนเลยานางวิสาขาก็ต้องมาขอผ่อนแก้ปัญหาให้กับอะไรกับกับปูของท่านน่ย เมตต า, กาศเกษตีก็เรียกเมตตาอนุญาตเรื่องเยอะเลยที่อนุญาตพระเมตต า, าเมื่อก่อนนี้รับถวายเงินก็ไม่ได้นะพระนี่ยี่ไหนเดินจริงๆเ่ยรับถวายเงินไม่ได้เนละแม้จะให้ปิยาุตรกรับอย่างที่พระใช่ในะปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เมตตากราบโง่ไม่ได้หล้วถ้าอย่างนี้พระตายแน่เลยเวลาเดินทางไกลไปไหนแล้วตายแน่เลยต้องไปกราบทูลขอพรหลวงพุทธเจ้านางวิสาขาก็เหมือนกัน ขอพรเป็นตั้งทีทั้งเจ็ดปดข้อนะฮะขอให้มีใ ห, ให้ทายกมีถวายมีโอกาสบํารุงพระในการนี้นั้นจะมาพระมาจะต่างวัดอย่างเนี้ยไม่รู้จะบินทบาททางไหนจะหันดีหันขวางอยู่เนี่ยแจะไม่มีใครช่วยบางทีก็อดข้าวดืว้อก็ขอให้พระให้ชาวบ้านมีส่วนช่วยสนับสนุนพวกอาคารตัววัติปักกิกพัดนะฮะหรือพระที่บํารุงพระป่วยไข้อะไรต่างๆพวกนาวิสาขาท่างๆอันพวกนพราะฉะั้นตอนเช้าท่านต้องมาต้องเช้าแต่ตอนบ่ายก็ต้องมา ฟังทมเสร็จแล้วก็กลับก่อนจะกลับก็ต้องเดินตรวจวัดหมดัึงวัดเป็นแม่ใหญ่ก็คือเป็นคนเอาเรื่องมากะนางวิสาขานี่เอาเรื่องอาราวมากเลยดังนั้นเวลาจะเทศพระพุทธเจ้าก็จะประรบอะไรขึ้นมาบางทีก็ถามนะฮะเพราะส่วนมากพระเจ้าจะถามแล้วจะประรบเรื่องนั้นหรือบางทีก็นางวิสาขากราบทูลเล่าหรือกราบทูลถามพระเจ้าก็จะเทศ อย่างในกรณีนี้พระพุทธเจ้าถามเองถามเองพอตอบแล้วก็เทศเลยไม่ต้องพรหมานะ <_ d ata> เห็นว่าสจ้ามายพระพุทธเจ้าไม่มีพรหมาละเราเอาพรมามาจากไหนมาพรมาคราวเดียวตันเองไนงะเทศพรหมาคราวนั้นแล้วเทศตลอดสิบสี่ห้าปีไม่ต้องพรหมาแล้วเทศอยู่เรื่อยๆงนะั้นเราพรหมาวันมาระกี่ครั้งเออทีนี้พระธรรมเทศนาที่แสดงนั้นเรียกว่าปลารบปรือเรื่องมันเกิดขึ้น แล้วก็ส่งแสดงให้เห็นถึงหลักการปฏิบัติในแนวที่เล็งผลกำไรคือมันอยู่ด้วยความอยากทั้งๆที่ทำงานแต่มันทำด้วยความอยากไม่ได้มีวิญญาณคงพูดเสียสละบร้อนก่อเ น, นี่ยมาอย่างวูบขึ้นมากำลังอาบน้ํอย่าวูบความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะข้าราชการเนี่ยถ้าไม่ให้เงินแกนทำงานหรือเปล่านั้นเนี่ยก็คงไม่นะคงไม่ทานะ ถ้าขั้นถ้าแม้แต่ว่าเงินเดือนไม่ได้สองขั้นก็ชักจะอู้งานได้แล้วแสดงว่าไม่ได้เคยมีวิญญาณกันเท่าไหร่นะวิญญาณของผู้เสียสละเอาก็จริงและในการรักษาอโบสดในแนวโคปาหรือโบสดคือเลี้ยงโคนะฮะเลี้ยงโคแล้วก็เลี้ย ง, ก, ยงก็วางแผนในะคิดทิศว่าตอนเย็นนี่เราได้เงินเท่านั้นเราต่อไปก็จ่ายนั้นจ่ายนั้นจ่ายนั้นคือเป็นคิดแต่จะกินคิดจะวางแผนทําอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการกระทําด้วยความต้องการผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม ลักษณะการบำเพ็ญความดีน่ยคือสรุปว่าอุโบโสถนั้นคือการเข้าประพฤติความดีที่มาข้อสุดท้ายที่เป็นอริยะ อ, อุโบสถเท่านั้นอุโบสถสถาปฏว่าการเข้าอยู่นะการเข้าอยู่หมายถึงว่าเราทําความดีอะไรก็ตามเราก็เรียกว่าอุโบสถโดยความหมายเดิมเพราะเป็นคําเดิมเขานะฮะในคำเดิมเขาเราเอามาใช้เราเอามาใช้ในความหมายของอริยะอุโบสถเราก็เรียกว่าอุโบสถคือการักษาศีล แต่ระดับของโคปาแลอุโบสถเนี่ยแม้แต่ระดับอารยาอุโบสถคือ ร, รูปแบบนั้นเป็นศีลแปดจริงแต่ก็จริงเรารักษาเพื่อต้องการกําไรต้องการผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมยา น, านี่นางวิสาขาเคยไปสอบถามเพื่อนซึ่งนางวิสาขานี่บริวารท่านแยะนะ่ไงมาไปไหนมาไหนเราพรรพวกเยอะมาวัดก็คนตามมาเยอะ แล้วท่านก็นไปจะสอบถามไปคุยกับเขานี่คุณรักษาอุโบสถเพื่ออะไรคุณรักษาเพื่ออะไรปรากฏว่าเพื่อแบบโคปาและอุโบสถเพื่อเหล่านั้นถามเด็กรุ่นสาวมารักษาอุโบสถทําอะไรมาต้องการจะให้ได้แต่งงานอย่างตอนนี้ไม่เป็นสาวแก่ไอคนนี้แต่งงานแล้วรักษาอุโบสถทําอะไรต้องการได้ลูกชายหัวปีคนที่มีลูกแล้วจะรักษาอุโบสถทําอะไรก็ต้องการจะอย่าให้ผัวมีเมียน้อย ถามคนที่แก่ไปแล้วสามยายรักษาโบสดทำอะไ ร, ร, รยอยากไปสวรรค์ก็จะเห็นว่าต้องการอามิ t ท, ทั้งหมดความคิดนั้นยังเกี่ยวกเกาะอยู่ด้วยอามิ t ท, ทั้งหมดต้องการผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมในเชิงจิตใจไม่ได้หมายความว่าไม่ได้บุญนะฮะพระพุทธเจ้าบอกว่าโโบสดประเภทนี้มีผลมีอานิสงไม่มากทำไมไม่มากฮะ ก, กิเลสยังเกาะกจิตอยู่แยะเลย ประการวัดบุญกุศลเราต้องดูที่ว่าคุณภาพจิตของคนเนะี่ยมันจะมีความโลภเกาะอยู่มากหรือเปล่าความโกรธความหลงเกาะอยู่มากหรือเปล่าถ้าทําความดีเพื่อเอาหน้านะฮะจะมีลักษณะเป็นความดีเหมือนกันก็นกไม่ปฏิเสธแหละแต่จะได้บุญในเชิงบุญน น, น้อยนะะในผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอาจจะได้มากก็ได้นะฮะถ้าเจอนายบ้ายอเข้ามา นาชอบประจบประแจงเอาใจมันอาจจะได้นะแต่ว่าในเชิงของคุณภาพจิตไม่มีการพัฒนาดังนั้นให้ลองสังเกตว่าในอย่างในก็นีกา ร, การให้ทานยกตัวอย่างให้ทานทดีง่ายๆนะทานที่ถือว่าประดิษฐ์นั้นคือท่านไม่ติดในรูปแบบอะไรท่านก็มองเห็นว่าธรรมนาพรามต่า ง, งหลายในกรณีที่ตักบาตรนะฮะสมมติว่าตักบาตรเนี่ยคนตักบาตรประเภททาบุญจริงๆท่านไม่คิดอะไร กันคิดว่านักบวชทั้งหลายนั้นท่านไม่ได้ทํามาหากินท่านไม่ได้ปลูกพืชท่ไม่ได้ทํามาค้าขายท่านไม่มีตังค์ซื้อข้าวเราก็ทํามาค้าขายมีเงินมีทองก็ซื้อของมาถวายท่านถ้าเราไม่ช่วยเหลือท่านเราก็ไม่เป็นการสมควรท่านก็ลำบากก็ช่วยคือไม่ได้ติดใจเลยไม่ได้ติดใจอะไรไม่เป็นนั่งตักบาตปั๊บไปก่อนจะสลากกินแบ่งออกไปนั่งอาราธนากันพระเสียวหลังบูบูประโยชน์ขออะไรก็ไม่รู้กดกระขอถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่หนึ่งแหมลงทุนนิดเดียว ต้องการกรม็มาแยะเล้วกนนี่ก็เรียกกับโคปาละเท่านั้นนะแบบโคบานเลี้ยงโคต้องการผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมเท่ า, ทานั้นถ้าเขาไม่ให้ต่างแกงแก็ไม่เลี้ยงฮะแกก็ไม่เลี้ยงเพราะงั้นในบุญกุศลในแนวนี้ถ้าให้ได้ผลประโยชน์รอบแทนที่เป็นรูปธรรมแกก็ไม่รักษาหรอกมันก็ต้องขอที่เป็นรูปธรรมพวกโคบานเยอะนะฮะพวกเป็นเล่นๆไปทุกจุดนะฮะท่านทั้งหลายลองสังเกต ด, ดูว่าคือเราต้องมองโครงสร้าง มองทั้งโครงสร้างอย่างที่บรรยายให้ฟังเมื่กี้นะครับว่าโครงสร้างจริงๆมันเริ่มจุดและจุดสุดท้ายกับจุดเบื้องต้นโครงสร้างเดียวกันมันสอบลึกๆกๆลๆๆ ล, ล, ล, ล, ล, ลงไปในจุดจุดนั้นเท่านั้นเองก็บรรลุดังนั้นประเภทโคปาลอุโบสถจึงเป็นการเล็งผลที่เป็นรู ป, ปรธรรมพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธนะฮะเพราะขาจัดกิเลสได้ระดับหนึ่งก็ดีกว่าคนที่ไม่ทําะฮะดีกว่าคนที่เขาเขาไม่ทําอะไรเลย แต่ในเชิงบุญกุศลท่านทรงแสดงว่าไม่มีผลไม่มีอานิสง์มากเตงก็มีผลมีอานิสง์เหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่มากประการที่สองนั้นแบบนิกันถะอุโบสถนิกันถะนั้นคืองม ง, งายนะฮะลักษณะาการทำอะไรในเชิงที่งม ง, ง, งายไร้เหตุผลนิกันถะนั่นแปลว่าเครื่องร้อยรัดนะท่านตั้งหลายจะเห็นว่า บางทีเราก็ทําอะไรแบบงมงายไปโดยไม่ได้มองถึงเหตุถึงผลทําไปแล้วทําทำท ำ, ทำอะไรทําไปเพื่ออะไรทําไปแล้วได้ประโยชน์อะไรยังไม่ได้ดูเลยว่ามันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วก็ทําในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็มองไปแนงในแง่เดียวไม่ได้มองอีกด้านหนึ่งไอ้เช่นพวกนิครนเนี่ยแกวผ้าปิดปากปิดจมูกหมดเดินเนี่ยผ้าปิดปากปิดจมูกหมดแต่ว่าไม่มีผ้าพออ่อเลยไปปิดเฉพาะปากแค่เพาะจมูกอย่างเดียวทำไมปิดปากเป็นจมูก แกบอกว่าโลกเนี้มันมีปลานมีสิ่งมีชีวิตอยู่เยอะแกเดินไปเนี่ยประเดี๋ยวสิ่งมีชีวิตจะเข้าไปทางปากหรือว่าหายใจไปทางจมูกกลัวสิ่งมีชีวิตจะตายแต่ก็ทําเฉยๆนะฮะแกเดินถือไมก้กวาดไปข้างหน้าบึดบึบึบึดบ้ดในพื้นดินมีสิ่งมีชีวิตแกต้องกวาดเท่าก่อนกลัวจะเหยียบสิ่งมีชีวิตแล้วแกลืมไปว่าไอ้ไม้กวาดมันตีตายหมดแล้วอะ่ะก่อนที่แกจะเหยียบะ่ะแกไม่ได้คิดอะ่ะ แกไม่ได้คิดมันตีตายมาแล้วตอนในแกนเหยียบแล้วมันกินเนื้อที่มากกว่าเท้าที่แกเหยียบด้วยถ้าไปถืออย่างนั้นเลยไม่ต้องทําอะไรพระพุทธเจ้าบอกคือว่าคนคนบางพวกเนี่ยละอายในเรื่องที่ไม่ควรละอายแต่กลับละอายในเรื่องที่ไม่ควรละอายพวกนี้คือว่าเรื่องที่แกควรละอายแกไม่ละอายภาพขอนระผืนไม่มีแต่ปิดปากปิดจมูกปิดปากป็นจมูกเดินถือไม่กว่าทําความดีงมงายนะเป็นลักษณะของงมงายและเยอะแยะเลย แล้วแกถืออีกอย่างหนึ่งก็คำที่สุดเหมือนกันนะฮะห้ามดื่มน้ำน้ำเย็นนะน้ำธรรมดานี่ดื่มไม่ได้นี่คนถือว่าเป็นบาปเพราะว่าในน้ํานั้นมีปลามีสิ่งมีชีวิตนี่ควรดื่มน้ําจากอะไรต้มเะก่อนจึงดื่มแล้วแกลืมไม่าตายเรียบแล้วอ่ะแกต้มจะตายหมดเลยก็พอพ อ, พอแกเดินกวาดไม่กวาดไปนะมันตายหมดแล้วแล้วแกอ้างว่าแกเดดื่มน้ําที่ไม่มีปลาตอนพระพุทธเจ้าก่อนพระเจ้าจะนิพพานประมาณสามปีนะฮะ ก็มาเข้ามาโต้พระพุทธเจ้าประเด็นนี้พระพุทธเจ้ายกประเด็นนี้ขึ้นมายกประเด็นน้ําดื่มเนี่ย เ, เขาถือว่ากายนั้นสาคัญกว่าจิตพฤติกรรมทั้งหมดที่สแสดงออกนั้นกายนั้นสำคัญกว่าจิตพระพุทธเจ้ารัสั่งว่าของพระองค์นั้นจิตสาคัญกว่ากายและในที่สุดก็พระพุทธเจ้าอุปมานะอุปมาสอบถามเขาว่าสมมุติว่าคนคนหนึ่งปฏิบัติตามบทบัญญัติของคุณเนี่ยไม่ดื่มน้ําเย็น ต, ต, ต้องดื่มน้ำร้อนเท่านั้นแต่พอดีนี้คนคนหนึ่งก็ป่วยหนักดื่มน้ำเย็นไม่ดื่มน้ำร้อนไม่ได้ต้องดื่มน้ำเย็นแต่เคร่งครัดเหลเกินไม่ยอมดื่มเลยตายเลยทำยังไงคนนี้จะเป็นยังไงเขาบอกว่าคนนี้จะเกิดเป็นเทพชื่อมโนปโทสิกาคือจิตไม่ประทุสล้ายต่อต่อข้อบัญญตนะัติน่ะใจบันดีพระเจ้ารักสั่งถามว่าใจเป็นพาไปหรือกายเป็นพาไป แกก็บอกว่าใจพระพุทธเจ้าก็ตลบกลับมาแล้วทั้งนั้นใจสำคัญกว่ากายหรือกายสำคัญกว่าใจก็สนุกนะประสูทธ์นี้วันหลังจะเล่าขวางยาวสนุกมากเลยสามสามแต่พร ะ, ะพุทธเจ้าประชวรุญต7ดปีอะตอนนั้นตอนนิครนนาฏบุตรสิ้นชีวิตนี่ ค, คือเราจะเห็นว่าการกระทำในแนวนี้หมายถึงโดยสรุปแล้วคือไม่ยุติ้วยเหตุผล เป็นการใช้ชีวิตเป็นการประพฤติปฏิบัติโดยไม่ได้คำนึงว่าอะไรคือความถูกต้องอะไรคือเป้าประสงค์แล้วก็ติดในรูปแบบเหล่านั้นถามต่อไปก็ตอบไม่ได้เยอะนะฮะติดในรักขณาดนี้อยู่เยอะนั่นก็คือแนวของนิการถาอุโบสถซึ่งบางครั้งบางคราวนั้นมันเป็นการเคล้งไดเกินดีอะ บางทีก็เคร่งต่เกินดีอย่างเนี้ยเคร่งเกินดีดูไม่มองอีกแนวหนึ่งว่าที่จริงมันไม่เคร่งหรอกที่คุณว่าเต่งอ่ะมันไม่เคร่งหรอกแนวที่สองนั้นปอมเนียแนวที่สามเรียกว่าอาริยะอุโบสถท่านทั้งหลายจะเห็นว่าตอนอธิบายตอนต้นไม่รักษาศีลนะไม่เป็นศีลน่ะแต่ว่าเป็นอนุสติไม่ถึงระดับกรรมาฐานแต่สาทยาย เป็นการสวดเป็นการน้อมใจรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในอิติปิโสภควานี่แหละอิติปิโสภควาอย่าลืมมาเมืองไทยเล่นอิติปิโสภควาร้อแปดดทิศนะฮะทเป็น8ดทิศอิติปิโสถอยหน้าถอยหลังยยยเยอะแยะไปหมดเลย8ดทิศเนี่ยอิติปิโสนิดเดียวนี่ฮก็ทําเป็นฉากเป็นผังนั่นนั่งหลายจะเคยเห็นคือย้อนหน้าย้อนหลังได้เขาเรียกอิติปิโสถอยหลังแล้วก็ตัดคาถาเป็นตอนตออกไปเป็นหนุมานครุกปีนบนอะไรตะยุโอะเลยอิติปิโสอี่ขลังแน่นอน เป็นคาถาก็มองในแนวขลังแต่ท่านจะเห็นว่ามันก็เป็นสติการตั้งสติชอบระดับหนึ่งนะฮะทำให้ใจของบุคคลคือมันรับอารมณ์ได้อย่างเดียวก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นวิธีการทางจิตวิทยาแบบเดียวก็ที่เราใช้กันนะฮะเวลาโกรธขึ้นมานับหนึ่งถึงสิบเสี้ยกร์เป็นวิธีการทางจิตวิทยาใจ พอเราหน้าหึ่งถึงสี่บอกมันยังไม่หายโกรธมันน่าไปถึงร้อยมันหักหักเถ ท, ทิศทางนะครับคล้ายๆกันน้ํามันหลากมันจะพังแล้วเราหักทิศทางไอ้น้ำมันไหลไปทางอื่นแนคะ่นั้นเองให้ไหลไปทางอื่นเสียเพื่อบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในด้านนี้เพราะงั้นการหักทิศทางของจิตเนี่ยมันก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่ที่นำมาใช้เพราะในชีวิตประจําวันทหาว่าคนปล่อยะอารมณ์แต่ละอารมณ์เข้ากลุ่มรุมแล้วเราก็สางไม่ออกพอสางไม่ออกก็ทํายังไงล่ะ <laughs> ก็มันสาธยายอะ่ะ สาธยายนะฮะระดับสาธยายไม่ใช่ระดับอนุสติอนุสติต้องสูงกว่าสีนะี่ระดับสาธยายเฉยๆอยิติพิโสภาควาสวดมนต์น่ะคือคือหมายความว่าระดับสวดมนต์ให้ลองสังเกตว่าระดับสวดมนต์เราไม่ได้คิดถึงภาคปฏิบัตินะบางทีก็สวดเพลินๆไปนะมองท้ายตาก็มองท้ า, ามองขวาม อ, นอนมองน้นมองนี้อย่างที่ดูดูบทพ ร, ระแก้วที่เขาขยันตรวจนะเราจะเห็นว่าเขาก็ไม่นั่งนิ่งๆอะไรละหมุนหซ้ายหมุนขว า, างี้ยแต่ว่ามันเป็นกุศล ร, ระดับหน บางคนท่านจําได้แล้วนีฮะท่านสบายเลยนะท่านสบายเลยเพื่อก็ดูหนังสือท่านสบายท่านมองท้ายมองขวาหยิบต้นหยิบนี้ท่านว่าได้เลยมันคล่องปากเป็นวาจุกตาคล่องปากแต่ถ้าเรามองอีกทีหนึ่งว่าใจซึ้งไหมถ้าเราไม่นึกตามมันก็ไม่ค่อยซึ้งอะไรนะฮะเมือนก็ร้องเพลงชาติอย่างที่ว่าเนี่ยร้องเพลงชาติอย่างที่ว่าแต่เราไม่ได้คิดนําไปสู่ภาคปฏิบัติอะไรเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ระดับอนุสติอย่าลืมว่าปะเดี๋ยวจะเรียงผิดนะอันนี้มันระดับกรรมาฐานนะ เพระพุทธเจ้าใช้คํานี้ระดับสาธยายเท่านั้นเองระดับที่เนี่ยสวดร้องท่องบ่นกันเนี่ยเราจะลาธรรมโมหิตเจรังอนาติโตกันทุกวันนะฮะพอตัวแกเราวุ่นไปหาย้อมผมกันอุตรลุดเลยนี่แสดงว่ามันก็ดีแค่สวดเท่านั้นเองแต่เราแก้ปัญหาอะไรเราไม่ได้อะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เพราอญาติพี่น้องตายก็ร้องโหมร้องไห้สามวันยังไม่หายเลยนะแล้วก็มากลับมาถึงสวดพระนาธรมโมหิตบุรดังอนาตติโต เรามีความตายเป็นธรรมดาม่ลงพ้นความตายไปได้สวดทำอะไรก็มันก็ดีกว่าไม่สวดอ่ะดีกว่าไม่สวดแต่ไม่ใช่ดีเท่าระดับศีลนะฮะแม่ดีเท่าระดับศีลเพราะเป็นสวดเฉยๆขั้นนี้แหละถ้าเราลึกขึ้นไปมันเป็นอนุสติหมดอ่ะวันนี้เป็นกรรมฐานหมดแล้วก็เจริญบรรลุถึงฌานไปนิพนพานได้หมดตอนนั้นถ้าถึงชั้นนั้นต้องไปอยู่ไปไปแซงศีลแล้วมันอยู่ข้างหน้าศีลเนี่ยบนศีนลนะหรือไม่อย่างนั้น เขาเรียกว่าเทวตายุโบสถคือจิตเทวะในแปลว่าผู้ประเสริฐแล้วเราดูสวรรค์แปลว่าอารมณ์เลิกสระคะ น, นะสังอัคคะหรือส ร, คระคะแปลว่าสวรรค์แต่ถ้าเราบาลีเราแปลว่าสักคะคืออารมณ์เลิกดันเองหมายความว่าในขณะนั้นใจเราไประลึกไปไปสวดอยู่ที่พุทธคุณธรรมคุณสังคุ ณ, คณใจเราก็เลิกเพราะาอย่างน้อยกิเลสหยาบๆมันแทรกเราไม่ได้ ถ้าพอกิเลสหยาบให้ลองดูว่าเราสวดสวดแล้วเกิดรําคาญใครคุยขึ้นมาเราสวดเปลือยทันทีเลยนะแสะดงว่าตอนนั้นอย่างน้อยที่สุดกิเลสมันมีแต่ไม่แรงแรงก็ดีนะฮะดีอยู่ในระดับหนึ่งเป็นอารมณ์ที่เลิศจะดับหนึ่งใจก็ประเสริฐในระดับหนึ่งเรือเ่องลึกถึงธรรมคุณสวัสดิ์ค้าตัวปกติธรมโมเนี่ยฮะที่สวดเนี่ยหยาไม่ต้องไปคิดแปรก็ได้นะไม่ต้องคิดแปลเราเข้อมุ่งสาธยายให้จิตสงบ การสาธยายเขาไม่ได้ติดให้ลองสังเกตว่าคาถานะพวกคาถาขลังทั้งหลายนี่ไม่ได้ความเลยมีคนก็ส่งให้อตมาแปลคาถาตั้งหลายคาถาแล้เยอะเลยไปถามที่ไหนบอกเขาไม่แปลนะโยมนะถ้าแปลระบบครั้งนะคาถาเนี่เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ความอะไรแต่เป็นตัวพาหะที่จะดึงจิต ด, ดึงจิตให้รวมท่านั้นเองนะเป็นคล้ายๆเป็นสนามแม่เหล็กที่จะดึงให้จิตมันเกิดรวมขึ้นมาเท่านั้นเอง เราไม่ใหม่ตัวนั่นไม่ได้ขลังอะไรล่ะค่ะไม่ยังยังเมื่อวานเนี่ยมีคนก็มาเล่าว่ามีศาสตร์ศาสนาศาสนาหนึ่งไปทําพิธีรักษาโรคอยู่ที่ท้องสนามอะไรสนามเมืองหน้าเมืองทางภาคอีสานะะนะครับถามกันไปเลยตาบอดถามกันไปเลยอมามพาตถามกันไปเลยนะครับ เอาเนี่บอกว่าเอานี่คุณนึกถึงพระเจ้านะน้อมถึงพระเจ้านี่เห็นแล้วยังยังไม่เห็นจะขาดยังไม่เห็นเอานึกต่อนึกต่อไปภาวนาต่อไปเห็นแล้วยังเห็นดังรางแล้วจะขาดเ็นดัง่เอาภาวนาต่อไปเห็นอล้วยังเริ่มเห็นแล้วภาวนาเสร็จแล้วก็เห็นแล้วลงเดินระบายมาเลยนะอำมาตก็ไปถึงเอาระลึกถึงพระเจ้าหายเลยอะไรหน้ามานะไอ้พวกนั้นมันมันไม่ได้เป็นทั้งตาบอดทั้งอำมาตนะเพราะงั้นมันหายรีบหายได้ทันทีทันใดได้ แต่ว่ามันเพื่อต้องการเล่นนเป็นละครหน่อยมันก็ต้องสมบูรสมบัติหน่อยพูดเดียวมันเห็นมันก็เกินไปพระเจ้ามันจักจะเก่งมากไปไหนก็เลยต้อ ง, ต, องต้องหาวิธีหาวิธีแต่ว่าทําไมมันดึงจิตคนบางคนที่โรคไม่แรงเกินไปให้เชื่อได้เราต้องมองอย่างนี้นะนั่นคือตัวการกระทํานั้นมันเป็นการปลุกร้าใจให้มันไปเกาะไปเกาะมีความเชื่อมากหน่อยสิ่งนี้ทำให้เกิดอาการอย่างนี้ได้ ถ้ามีสิ่งนี้อาการอย่างนี้จะหายไปเมื่อไม่มีสิ่งนี้อาการอย่างนี้ก็จะไม่หายเพราะฉะนั้นต้องไปเข้าถึงสิ่งนี้อาการอย่างนี้จึงหายได้นั่นคือสูตรธรรมดาเลยรอใจไปผูกไว้รอใจไปผูกไว้อย่างอย่างเนี้ยบางทีบางคนมีไปพบผู้ใหญ่ท่านคนหนึ่งฮะตัวนันตั้งแก่มากนะปรากฏว่าในชีวิตนี่ท่านไม่เคยนอนคนเดียวเลยเพราะงั้ น, นอนคนเดียวไม่หล่ะต้องเอาลูกเอาหลานเอาอะไรมานอนด้วยต้องนอนเพื่อนคนหนึ่งอนะ ท่านมีความรู้สึกว่าท่านต้องนอนสองคนจึงหลับถ้านอนคนเดียวไม่หลับเพราะงั้นยามใดต้องนอนคนเดียวจึงนอนไม่หลับต้องเอาใครมาคนหนึ่งนะมานอนใกล้ๆเอาลูกเล็กๆหลานเล็กๆ ก, ก, ก็เอาให้ามานอนเพิ่ม อ, อยู่เกนหนึ่นี่คือเอาใจไปบวกไว้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะต้องมีสิ่งนี้ถ้าไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้นั้นก็เป็นพลังในการเสริมสร้างศรัทธานะเป็นตัวดึงจิตเฉยๆไม่ใช่ว่าความจริงอะไรแต่มันดึงจิตได้ที่นี้ประการต่อไปนั้น ท่านมองว่าแนวอุโบสถศีล น, นะที่จริงในศีลนั้นพระพุทธเจ้าแสดงถึงธรรมะแต่เ ร, เริ่มต้นด้วยศีลเพราะศีลเป็นเป็นหยาบหยาบนะเป็นระเบียบวินัยคนที่รักษาศีลเป็นอริยะนั้นไม่ได้สนใจนะว่าจะไปสู่สกุลสามีตอนยังสาวสาวยังให้ได้ลูกชายหัวปีหรือว่าอยากให้สามีนอกใจไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างเพื่อนำไปสาขาคิด แต่ท่านคิดว่านี่เป็นปฏิปทาของพระอระหันต์ทั้งหลายพระหันท่านทําอย่างนี้ท่านยังไกลจากกิเลสเป็นพวกควรไหวควรบูชาท่านหักกับสังสารจาจักได้แล้วท่านก็สาธยายพระพุทธคุณธรรมคุณทั้งคุณมาท่าก็น้อมนึกสแสดงว่าท่านนึกแล้วท่านเกิดศรัทธาภาษาธรรมในบุคลิกบุคลิกภาพของพระอระหันต์แล้วก็ปรารถนาที่จะเรียนที่จะลอกเรียนพระอระหันต์ทั้งหลาย ให้ลองสังเกตว่าเอาก็จริงในการศึกษาเราเนี่ยพอถึงจุดที่สมบูรณ์เราเรียนเลยนะฮะเราเรียนเลยไม่ใช่เราเรียนเราเรียนเลยเรียนทุกขั้นตอนเลยนะทุกขั้นตอนเลยเดินวิปัสสนาญาณเดินระดับสมาธิเดินไปตามที่ท่านเดินอะพระพุทธเจ้าเดินยังไงพระอาหันยังไงเดินเป็นเรียนเลยไม่ใช่เรียนตอนเรียนมันเป็นปริยติเท่านั้นเองพอปฏิบัติแล้วเรียนเลย บรรลุญานนี้ปฏิบัติอย่างนี้บรรลุญานนี้ยานนี้คล่องแคลวต้องทําอย่างนี้และทําอย่างนี้ทุกทีเลยนะก็เหมือนกับการปรุงอาหารทําอะไรเนี่ยที่จริงโอ้จริงตอนเรียนก็คือเรียนนะแต่ว่าพอรดได้เต็มที่มันเป็นเรียนแล้วนะเป็นเรียนแล้วว่าคุณเนี่ยคุณแม่คุณยายทําขนมอย่างนี้อาหารอย่างนี้อร่อยเราเรียนเลยเรียนเลยไปเรียนกนะับ ท, ท่านท่านทํำยังไงท่านใส่อะไรก่อนอะไรหลังใส่กี่นาทีนี่เราทําตามนั้นเป็นเรียน ตอนเรียนมันเป็นปริยัติเฉยๆอย่างไม่เต็มที่พอเรียนแล้วออไปใช่พอเรียนแล้วก็ไปเลยดังนั้นท่านก็เรียนนะเรียนแบบพระอาราหันต์ทั้งหลายแล้วแนวความคิดเหล่านี้ให้ลองสังเกตว่าแม้แต่พระอาราหารันตรุ่นหลังเช่นพระนาคเกษตรที่พระยามิรินถามว่าพระคุณเจ้าบวชมาทําอะไรก็ไม่รู้่ <c oughs> บวชตอนนั้นมันยังเป็นเด็กๆกับท่านไม่รู้่แต่ท่านคิดว่าธรรมาะศักกายบุตรคงจะให้อะไรได้อัตมาได้ ก็ลเลยบวชมาได้แต่ถามมาบวชทําไมก็ไม่รู้อะตอนไม่เด็กๆมันคิดไม่เป็นนี่คือคืออะไรคือมุ่งหวังว่าเราจะเรียนอะไรท่านได้เราเห็นท่านปฏิบัตของท่านการปฏิบัติบาตของท่านเราก็คิดจะเรียนท่านเพราะในปาณาธิบาตนั้นเวลาทรงสดแสดงนะฮะปานาธิบาตอาธิหนาทานเหมือนกันจะสดแสดงในแนวเดียว เป็นผู้งดเว้นจากการทําสัตว์มีชีวิตให้ตายมีมีอาวุธมาวางแล้วมีเครื่องประหารวางแล้วคือไม่มีอาวุธมีเครื่องประหารในมือให้ท่านหลายลองสังเกตนะว่าวิในชาวบ้านถืออาวุธได้วินัยพระนั้นถืออาวุธไม่ได้วาอาวุธทุกชนิดเนี่เป็นวัตถุอนามาตพระจับต้องไม่ได้นะปืนก็ไม่ได้มีดที่ใช้เป็นอาวุธก็ไม่ได้นะแต่ว่าไอ้พวกมีดแต่พวกขวานสมบ่าวฟืนอะไรทําได้นะ จับได้มีดโกนบางคนก็ห้ามถือเลยพระเนี่ยพระทั้งทางที่เป็นบริขารจะนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าห้ามจับมีดโกนสาหรับพระบางองค์ห้ามไปเลยในวินัยห้ามไหมสาหรับพระที่เป็นพวกเคยเป็นช่างตัดผมอะไรมาก่อนเนี่ยห้ามไ้คือประเดี๋ยวแกแกนึกจะอยากสึกขึ้นมาในเครื่องมือเครื่องมือหากินอยู่ในมือแล้วนะใจมันวอกแวก แล้วพอประจับมีดมันก็อดคิดถึงคราวโน้นไม่ได้คราวเป็นคราวว่าดไม่ได้ก็ตัดปัญหาไปเลยนี่เราจะเพราะว่าการสํารวมระวังในจุดเดียวกันที่จริงชาวบ้านกับพระรักษาศิณก็เดียวกันแต่มันเป็นประนีตขึ้นไปเท่านั้นเองชาวบ้านยังถือได้ไหมวินัยไม่บอกไว้นะเพราะเป็นวินัยของผู้ครองเรือนแต่ว่ามันมีอะไรละ่ะฮะต่อไปขึ้นไปมีความสํารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายนะนี่ก็คือเป็นอาการศีลต่อไปไม่ใช่ศีลแล้วนะที่จริงเงินทำแล้ว มีความเมตตามีความเอ็นดูในสัตว์ตั้งหลายเดินครอบอนาเดินกลับไปธรรมะหักไปเลยแต่ว่าขึ้นถึงเป็นศีนก่อนก็มันมันเหมือนอะไรล่ะคล้ายๆกับว่าเราเขียนหนังสือขึ้นต้นต้องมีบรรทัดก่อนนะมีวิธีจับมีอะไรมีบรรทัดปอดเราเขียนไปเขียนไปเขียนไปเขียนไปก็เขียนตัวเดิมนั่นแหละไม่ได้เขียนตัวใหม่อะไรก็เขียนอักษรไทยก็อักษรไทยนั่นแหละแต่ว่าต่อมาไม่ต้องใช้บรรทัดแล้ว ไม่ต้องใช้บรรทัดบางคนบางพวกอย่างพวกแขกเนี่ย เ, เก่งเขียนหนังสือมันเขียนได้ทุกสถานการณ์เลยนะเดินเดินมันจะทําอะไรจับมือเขียนปั๊บปัปับป๊บหรือบางทีก็ไปแตะหลังเพื่อนก็เขียนปับ๊บปัเขียนได้หมดเลยเขียนเขียนหนังสือเอก่งจริงๆแต่เขียนไม่สวยหรอกนี่คือแสดงว่าถึงหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นธรรมะไปเพราะถือว่าสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้กันเหมือนกันไปมาเรื่อยจนถึงหนึ่งจุดหนึ่งก็สํารวมระวังนะแม้แต่รอบที่อยากได้ของคนอื่นก็ไ มันเข้าถึงใจพอเข้าถึงใจแล้วเป็นเองโดยอัตโนมัติจะปรับเองไอ้เลขข้อนั้นเขาสร้างขึ้นสำหรับนะฮะสหรับคุมในตอนต้นเท่านั้นเองให้ท่านหลายลองสังเกตว่าเขาสร้างขึ้นในตอนต้นเท่านั้นเองต่อไปไม่นับข้อแล้วอีตอนที่เราต้องรักษาศีนมันนับข้อกันหน่อยตอนศีนรักษาเราไม่ต้องนับนะมันไปเคลื่อนไหวไปโดยอัตโนมัติเอง เคลไหวโดยอตัตโนมัติคล้ายๆกาโยมปรุงอาหารเรียนวิธีปรุงอาหารเนี่ยครั้งแรกก็ต้องช่างต้องตวงอะไรกันนันฮะทํากันใหญ่ดูเวลาตรวจสอบกันชิมแล้วชิมอีกอะไรแต่ลายจนปากซีดเลยแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราใส่ได้เลยมันเป็นโดยอัตโนมัติปั๊บปๆ๊บ ป, บปบไปแล้ถ้าถามมาแกงอย่าชนี้ไหนก็แกงชนิดนั่นแหละแกงชนิดเดิมนั่นแหละแต่มันทําแล้วชํานานขึ้นเป็นไปได้โดยอตัตโนมัติเพราะงั้นธรรมะจะยิงธรรมะชุดเดิมนะฮะ ทุกเดิมที่เราปฏิบัติมีความเข้มข้นสูงขึ้นมีความประนิชขึ้นกินเลสสงบมากขึ้น เ, เราปัญญาเพิ่มขึ้นพอมาถึงการเมสุมิชาจารย์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือมันจะกระจายตัวเองออกไปจนถึงกับไม่มีความคิดในทางเพศเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องเหล่านี้กับคนหรือสัตว์กับคนที่เป็นเหตุ ให้มีความเกี่ยวข้องทางเพศซึ่งจิตใ จ, จมันก็สงบอะไรสงบราคะลงไปได้พอมาถึงพูดก็เหมือนกันคือพูดคําสัตว์คําจริงที่มีวาจาเป็นหลักเป็นฐานมั่นคงเพราะปาราหันนั้นท่านอะไรยะถาวาดีตถาคารีตถาวาดียะถาคารีนะฮะพูดอย่างไรคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็คิดอย่างนั้นเหมือนเือพู ด, พดเหมือนที่คิดคิดเหมือนที่พูดไม่มีปัญหาอะไร แต่ว่าเราจะเราจะพบว่าคนเราทั่วไปนั้นพูดอย่างหนึ่งนะฮะแต่ว่าใจอาจจะอย่างหนึ่งส่วนจะพูดออกมาจากใจนั้นก็มีไม่ใช่ไม่มีทีนี้มันก็หายากดังนั้นท่านก็เอาพระอาราหันต์เป็นฐานเลยชื่นชมกับปฏิปทาของพระอาราหันต์ท่านว่าท่านประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเพราอมาถึงสุราธุรานั้นได้โปรดสังเกตนะว่าในเชิงปฏิบัติจริงๆแล้วในเชิงของธรรมะนะในเชิงของธรรมะ สุราไม่ได้อยู่ในกลุ่มของกรรมกิเลสสุราเป็นกลุ่มของอบายมุขท่านจะเห็นว่าในธรรมของผู้ครองเรือนนะเขาเรียกขีหิวินัยอะ่ะขีวินยัยวินัยของผู้ครองเรือนมีศีลห้าก็มีแต่ว่าตั ว, ต, วตัวธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่มีสี่ข้อข้างบนนั่นเองเพราะท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าพฤติกรรมที่เราเรียกเป็นอัจฉรกรรมในปัจจุบนันนั้นมันไม่เกินศีลห้าอย่างที่ว่า ไม่เกินสีห้าเราเข้าใจโดยเนื้อหาหรือเปล่านะฮะถ้าเราเข้าใจโดยเนื้อหาไม่เคยเกินสี่ห้าไปเลยพฤติกรรมที่เป็นอันตรายจนถึงเป็นสงครามเนะี่ยมันก็คือปานาติบาตอาทินนาทานนะ่ยมุสาวาตนะพูดกับบนโต๊ะดีๆเอาม า, มาแอบวางระเบิดอะไร ก, ก, ก็มันมันก็เต็มทั้งหมดผนะิดอยู่เนี่ยในกรรมกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะทางกรรมกิเลสกรรมกิเลสก็คือการกระทําที่เกิดขึ้นจากสภาพจิตผิดปกติกิเลสคือใจมันท่าหมอง ใจถ้ามองก็ทําออกไปทางกายทางวาจาทางใจอย่างที่เห็น เ, เป็นพฤติกรรมแต่ว่าสุรานั้นในชั้นของศีลก็ประมาณทัศนาแต่ว่าในชั้นของ อ, อ, อบายามุขมันเป็นอบายามุขมาตั้งแต่ต้นแล้วนะโดยสาภาวะเข้ามาในเป็นอบายามุข ค, คือคนจะรับศีลหรือไม่รับศีลก็ตามสุราเป็นอบายามุขสมั บ, บุคณ์นั้นทีนี้เมื่อรับศีลแล้วถ้าศีลยังรักษาอยู่อบายามุขมันก็ไม่เกี่ยวะ ว่าศีลก็เป็นกุศลอับบายมุกเป็นอกุศลมันก็ปิดอกุศลเองโดยไม่ต้องไปนับมันก็ได้ในในด้านวิการอภินานั้นท่านอธิบายแปลกเรื่องวิการในตีความแปลกกันนะฮะได้โปรดเข้าใจว่าอย่างพระจีนนั้นท่านกินอาหารตันเย็นได้กินสมัยพระเจ้าเหลียงบูเตหลังจากเจ้าเจ้าเหลียงบูเตมาประมาณ1 5นห้าร้อยสีประมาณพันหเพราะตอนนั้น พระเจ้าเหลียงบูเต้ท่านวางแผนที่จะให้ชาวบ้านในงดการฆ่าสัตว์เพราะเอาข่าไปกินกันคนจีนก็นักกินชั้นหนึ่งะฮะกินนักกินชั้นหนึ่งเลยก็เอ๊สัตว์มันขาดแคลนไปเยอะพระเจ้าเหลียงบูเต้ก็วางแผนที่จะให้พระเนี่ยเป็นผู้นําในทางความคิดหยุดการกินเนื้อสัตว์บางชนิดก่อนแต่ให้พระเป็นผู้นําพอนำก็จริงพระจีนในบางทีทตอนเล่นมวยจีนน่ะเศ้าหลินเศ้าเหลินอ่ะ ท่านท่า น, ท, านท่านก็เหนื่อยอ่ะท่านก็อกอกแรงออกแรงไม่พอแรงไม่พอใช้ไม่พอใช้ท่านก็ต้องกินอาหารเรียกอาหารมือม้อที่เป็นยามื้อที่เป็นยาตกลงไม่ใช่อาหารอาหารนั่นอาหารเจเรียบร้อยแต่มื้อที่เป็นยานะกินตอนเย็นได้ <laughs> นี่คือการตีความของวิการวิการ enfin มีความหมายขนาดไหนเอกภันะ Walker, ต, Walker, ติยานะฮะเอกภัตตาหรือเอกภัต่างเนี่ยเอกภัตตางถ้าแปลตรงๆว่า อาหารมือเดียวแปลตามตัวแรกจริงๆนะฮะตามสา์จริงๆเอกภพตังพัดพัดมือเดียวนั่นเองแต่ว่าพอพระอาจารย์แก้ท่านบอกว่าไม่ใช่พัดมือเดียวคืออาหารเนี่ยมันมีอยู่สองภาคเอกะนั้นท่านแปลว่าภาคเลยท่านแปลว่าไม่ใช่ไม่ใช่เดียวคือว่ามีภาคเช้ากับภาคเย็นเพราะในภาคเชา้าเนี่ภาคเชา้านี่สมมุติว่าพระจะฉันอาหารเนี่ยพระก็ฉันได้เฉพาะเ ช, ช้าชวดชุดเที่ฉันเท่าไหร่ก็ได้ อย่างพวกธุดงกรรมฐานก็เรียกว่าฉันพัะหนเดียวคือที่อัสนะเดียวนะฮะบางทีบาต ท, ท่านเบลอเบล่าเลยจะนั่งกินในบาตรคนไม่เห็นว่ากินเท่าไหร่นั่งกินอย่างนั้นถ้าไม่ยอมลุกขึ้นน่ยรอโยมจะมาถวายต่ออันนี้มันก็กินมากกว่าคนสองมือนะทีนี้พัดแบบนี้แหละสรุปแล้วว่าชั่วชั่วเช้าชั่วเที่ยงเนี่ยเราจะกินกี่ครั้งก็ได้แต่ก็ถือว่าพัดภาคเดียวภาคเช้า พอหลังเที่ยงไปแล้วนั้นไม่ยินทีนี้ปัญหาไว้หลังเที่ยงในเราเอาตรงไหนได้โปรดเขา้าใจสมัยรูปตะเจ้าไม่มีนาฬิกานะฮะไม่มีนาฬิกาเพราะงั้นเขาใช้ด้วยการวัดเงาแดดคือเรียกว่าตะวันเหยียบหัวหมายความว่าเราไปยืนกลางแดดเนี่ยถ้าเราเหยียบหัวพอดีเลยเหยียบหัวเราคือเราก็ก็ไปดูตอนเที่ยงตรงอะ่ะตอนเที่ยงตรงเ ง, ง, งาเราก็ตรงไปเลยเวลานี้เรามีหนังสืออย่างปฏิทินมหากุ๊ หรจะบอกเวลาที่ยงจริงเอาไว้เวลาเที่ยงจริงๆเรานี่ตั้งศูนย์ที่พระปรางวัดอรุณนะฮะแต่ว่าบางทีบางเดือนนะฮะบางโซนของประเทศเนี่ยเที่ยงสามสิบแล้วยังไม่เที่ยงเลยเที่ยงสามสิบไปยังไม่เที่ยงเลยบางทียังไม่ถึงเที่ยงเลยมันเที่ยงจะแล้วนะฮะบางฤดูยังยังไม่ถึงเที่ยงดีเอาเวลาเที่ยงจะแล้วไปลบกรุงเทพสิบสองแล้วไอ้บางจังหวัดต้องเอามาลบไปตั้งสี่ตั้งห้าเพราะงั้น 5โมง5ตี5นาทีเที่ยงแล้วบางจังหวัดกินข้าวไม่ได้แล้วบางจังหวัดยังกินได้ไม่เป็นไรนี่ก็ไปดูปฏิทินเขาเรียกว่าที่เขาคำนวณแบบนั้นเลยแบบเอาพระอาทิตย์จริงๆเลยเพราะเรานับเรานับเขาเรียกว่านับทางจันทรคตินะ่ะนับทางจันทรคติแล้วก็เวลานี้เราก็ดูพระอาทิตย์นะดูพระอาทิตย์จริงๆตัวตรงแต่วิการบางอย่างนะฮะ วิการบางอย่างเช่นห้ามพระเข้าไปแทรกแซงในตะกูลอาหารในตะกูลที่เขาบริโภคอาหารในเวลาวิการเนี่ยคําว่าวิการนี้ไม่ใช่อย่างนั้นวิการนั้นหมายถึงกลางคืนหมายถึงกลางคืนดังนั้นจึงต้องดูมั่งกันนะว่าคําว่าวิการตรงเนี้มันอยู่ในตรงไหนไม่ใช่วันิ่งตอบได้นะอย่าลืมว่าบางอย่างเนี่ยแม้แต่พระาชาไทยวันลคำเนี่ก็เป๋ะนะฮะมาฟังวันกอ่อนสองสามเรื่องเป๋ตลอดรายการเลย พอเข้าศาสนาแล้วชาวบ้านชักเป๋ทุกทีเลยฮะแต่เมือนก็เหมือนกันนะครับพอพระออกนอกวัดก็เป๋ทุกทีเหมือนกันก็ช่วยกันเป๋ก็แล้วกันนะฮะนะเช่นเช่นเนี้ยพระรัชไทยวันละครมันก่อนเป๋เนี้ไปบอกตัวเองอยู่จุฬาเนี่ยไปนคนที่ดีถ้าไป็นงั้นอย่าออกนะเอ่อว่าต้นโพต้นไม้แต่ธารุก็เขียนคำถามมันเขียนยังไงนะฮะต้นโพนั้นมันเขียนอยู่สองอย่างนี้พวกโพทะเลอะไรแต่ไรเนี่ยฮะ พอจะโอโพนะพอานแต่โอโพโพหนึ่งก็โพทิการันบ้างไม่การันต่างกันแล้วแต่นะแกบอกว่าต้นโพนี้เป็นโพที่ตัดสรู้พระพุทธเจ้าแต่ลัพระองค์นั้นก็มีต้นโพสมรัติตัดสรูปของพระองค์แต่พอดีต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าเราตัดสรู้มันชื่อโพอยู่ก่อนแล้วเลยก็เรียกว่าต้นโพไม่ใช่นะเรียกว่าต้นอัศทะนะต้นเนี้ยอัศทะอัศทะพฤกไม่ใช่โพทิเราโพทิตอนพระพุทธเจ้าตัดสรู้โพทิแปลว่าพระปัญญาเครื่องตัดสรุป พระพุทธเจ้าจัดสรูปที่ต้นไม้ใดต้นไม้นั้นก็เลยชื่อว่าโพธิตามไปตามไปด้วยนะเป็นสัญลักษณ์เดิมแกไม่ได้ชื่ออย่างนั้นนะฮะแล้วอะไรเราเรียกพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์มันเป็นสัตว์ในเทพนิยายเลยคล้ายเวตาเนะ่ยเสียชื่อหมดอะดูมินพระอรหันต์นะอรหันต์แปลว่าไกลนะฮะแปลว่าไกลแปลว่าควรนะแปลว่าหักกรรมของสังสารจากักอรหันต์เป็นสัตว์ในเทพนิยายคนและโลกเลยนะ อีกอย่างหนึ่งก็พูดเรื่องนิตยพัฒนิตยพัฒบอกว่าพระที่รับนิตยพัฒมีเฉพาะราชาคณะขึ้นไปเท่านั้นอันนี้ก็ไม่จริงผิดจังเลยครูปริยัติธรรมเขายังได้นิตยพัฒนะครูปริยติธรรมนิตยพัฒมากกว่าพระราชาคณะจะอีกอเดี๋ยวนี้นิตยพัฒสี่ร้อราชาคณะสองร้อย่นรวยไม่รู้เรื่องเลยนะนี่ก็เป็นเรื่องที่เรื่อต้องเข้าใจนะครับ ต้องเข้าใจว่าตรงนี้มันอยู่ตรงไหนล่ะแต่ละเรื่องไม่ใช่วินิจฉัยได้ง่ายๆบางครั้งคำถามก็ถามมาเนี่ยแต่เราไม่เห็นที่มาเราไม่กล้าตอบมันอะไรกันแน่เพราะคำนี่ไม่ไ ม, ไม่มีปัญหาแต่ว่ามาที่ไหนล่ะต้องดูไอ้ข้อความข้างบนก็มาด้วยว่าเขาเชื่อมโยงมาเป็นอะไรไม่ใช่่าตอบเพี้ยเพี้ยไม่น่แต่ว่าส่วนมากที่ที่ตอบได้เพราะเขาถามปุ๊บมาเรารู้ที่มาทันทีเราตอบได้ ตามปกติถ้าไม่แน่ใจที่มาเข้าไม่ตอบต้องกลับไปคอดูก่อนมันย้อนต้นกันดูก่อนอะไรกันแน่เรื่องไม่จชง่ายๆนะฮะเพราะงั้นวิการก็เหมือนกันวิการที่ไหนลนะ่ะยังวิการในพม่านั้นก็ตีความอีกความหนึ่งจรฉัตาสังคยาาตอนอะไรละ่ะ9ก้าเกดหาสมัยอุุวิการของพม่าในพระชันเข้าได้ตั้งแต่ตีห้านะ พระไทยมันยังฉันไม่ได้ไม่เห็นลายมือใหญ่หลวงพ่อพมา่าลุกขึ้นฉันข้าวเรียบพนาศูนแล้วหลวงพ่อเรายังนอนจังบัดเชยเลยไปสังฆทานากันไงรุ่งขึ้นเช้าก็เจอแต่น้ําแกงไงไม่มีเนื้อเลยหลวงพ่อฉันหมดแล้วชาวพมา่าสงสารพระไทยตายแน่เลยได้ย่างเงี้ยเพราะว่าท่านตื่นแล้วท่านก็ไม่ยอมฉันน่ะมันตีความมิัยไม่ตรงกันกับมรรคการเนี่ยพระพมา่าท่านไม่กระดักกระเดิงอะไรเพราะท่านตีความอย่างนั้นนะ อันตรีความมาอย่างนั้นท่านเชื่อถือมาอย่างนั้นท่านก็ฉันไปในที่สุดเจ้าหน้าที่ต้องแบ่งอาหารเตรียมไว้ให้พระไทยอีกชุดหนึ่งพระพม่าฉันไปก่อนก็ฉันไปนะฮะพวกพระไทยพระลาวพระขเมศนี่ก็ถือเหมือนกันนะฮะถือเหมือนกับไทยต้องรุ่งต้องมือต้องเห็นลายมือเส้นใหญ่สามเส้นนั่นก่อนถือว่ารุ่งแล้วจึงจะฉันได้ถ้าไม่งั้นไม่ได้แต่เดือนนี้ไม่แน่หรอกฮะบางในในกรุงเทพบางทีพระไปบินตาบัตันตีห้ายังบินตาบัต มันก่อนนี่โยมาล่าฟังว่าไปถามพระว่าหลวงพ่อนี่ท่านออกมายังไงเนี่ยมันยังไม่รุ่งอ่ะยังไม่เห็นลายมือเลยไม่ขาดพรรษาเลยหลวงพ่อนั้นท่านก็เยี่ยมเกลี้ยงได้เกินท่านบอกพรรษามันกินไม่ได้เมื่อไรโลกเอ้ย <c oughs> ไม่รู้จกว่ายังไงท่านเป็นการอะไรไมเจอหลวงตาอย่างนี้ข้าวอ่ะนี่แล้วมันปิดผลทางสังคมนะฮะเราโทษท่านไม่ได้หรอกนั่นเป็นปิดผลอย่างหนึ่งของสังคมเพราะว่าปลากว่าจะมาบวชเป็นหลวงตาได้เนผ่านบ้านโยมาก่อนนะฮะอย่าไปด่าพระอย่างเดียวนะ ตาดาแล้วก็ช่วยกันแบ่งกันคนละห้าสิบเปอร์ซนตกันแล้วกันนะเพราะกว่าจะมาเป็นหลวงตานี่แกมาจากบ้านนะฮะมาจากบ้านไม่ได้เกิดในวัดนะรับรองเลยดันั้นเป็นผิดผลทั้งบวกทั้งลบเราต้องรับผิดชอบกันนะห้าสิบห้าสิบนะแบ่งกันคนละห้าสิบห้าสิบต่อไปก็อาการพร่ำคำขับร้องประคมงรุนตรีนั้นก็เห็นพระอาหารหันต์ท่านไม่ทำํำก็ท่านจะเห็นว่ามันเกิดจากความอยากอะ มันเกิดจากความอยากความกำหนัดในอารมณ์ทั้งหลายที่เราไปดูเรื่องเหล่านั้นทีนี้ความอยากไม่มีมก็ไม่ดูหรอกคนเหล่านี้จึงหาวิธีหาวิธีที่จะกระตุ้นกิเลสคนระลักษณะโลกมันจึงกระตุ้นกิเลสคนที่พระพุทธเจ้ารับสั่งไว้ตอนมันบุ่นมากนะพระพุทธเจ้ารับสั่งไ้ตอนเพื่อนก็นางวิสาขาลุกขึ้นรานะในวิห า, นะารเนี่ราะเป็นภาษาบาลีก็ไพราะ มันมันขึ้นเสียงสูงนะโกโกนนหาสโสกิมานันโดนิจจังปัชลิเตสติอันตกาเรนโอนาธาปีปางนักเวสตะรืดเริงเพื้นเพลินอะไรกันนี่มาโลกสันนิวาสนี่มันลุกโพรงอยู่เป็นนิดเธอนีนความมืดทุ่มห่อไว้ทำไมไม่หาแสงสว่างนี่มาเต้นหยิ่งงย่งเมาพื้นเพลินลขึ้นถึงโกเลยนะ โกมันมเวลาเสียงเวลาเปลงเสียงถ้าจำนวนจำนวนจริงๆแล้วจำนวนจริงๆแล้วมันสะดุนสะดุงนะขึ้นขึ้นโกโนฮาโซกิมานั่นตัเสียงสูงกันการทนมันสะดุ้งนี่คือลักษณะของโลกมันเพลินนั้นในการรัเล่นอะไรต่างๆเนี่ยท่านเห็นว่ามันมันมันคนลันเล่นเนี่ยมันก็โลภโกรธหลงแล้วเราก็ไปเชื่อตามโลภโกรธหลงก็มาเข้าไปเจ้าเป็นราชาทรมานามาอย่างนั้นอย่างนั้นของเมืองนั้นเมืองนั้นน่ย มีมเห็นสีจะอย่างงั้นอย่างนั้นเราก็แมมชุนชมยินดีกับพระราชาเลยขก้นไปนั่งตเอ้ยมันก็จะจะจะแท็กี่รถสามล้ออย่างนี้ไอ้ตัวนั้นเนะ่ยพระราชาอะไรนะแล้วเราก็ไปยอมรับก็เรียบร้อยดิบดีนะดูกันสนุกสนานดูกันสนุกสนานทั้งรู้ว่าลูกต้าหลอกใครนะลูกต้าหลอกใครไปดูหลังโรงมาในกินข้าวแต่งเนื้อแต่งตัวมอมแมมเลยฮะก่อนจะเข้ า, ขาโรงออกแต่งตัวมอมแมมไปแต่งเครื่องประดับแล้วก็ยอมรับแล้วก็เพลินสนุกสนาน อันโมหะเยอะเลยนะโมหะโลภะโทสอโลภะโมหะทีนี้ตัวตัวจริงๆมันก็เกิดจากโมหะโมหะแล้วมันกระตุ้นเป็นโลภะนะพอโลภะพอไปดูเกิดชอบพระเอกชอบนางเอกเสร็จแล้วมันแสดงเสร็จจบภาคแรกนางเอกกําลังอยู่ในอันตรายไอ้โม้งโผล่มาพอดีไม่รู้ว่าเป็นใครขอให้พี่น้องติดตามตอนต่อไปเราก็ห่วงใยนางเอกเราก็กลับมาดูอีกนะมันก็ดูมันก็หลอกเราอย่างเงี้ย ห้ท่านทั้งหลายลองสังเกตพวกนี้เขาเรียกว่าจุดที่มันมันมันเร้าอารมณ์นะมันจะหยุดทันทีก็ต้นกิเลสเพิ่มไว้นะเหมือนกับไฟมันมอดจะดับเดี๋ยวไฟใส่ปั๊บก็มันลุกพูบ้นมาเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนได้นะไม่ใส่เชื้อได้ก็ให้ไปนอนคอยอยู่รุ่งัเช้าเป็นห่วงและทีนี้ใครไปชวนไปไหนไม่รู้และเป็นห่วงนางเอกเขาไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรไอ้มองนั้นมาเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ไม่รู้ไ ม, รไม่รู้มาฝ่ายไหนก็เป็นห่วงเป็นใยก็มา นี่คือโลกของมายาโลกของมายาความหลงเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยมาไปออกโทรทัศน์เรื่องแผ่นดินเดียกันในช่องเก้าก็พวกพวกก็ชวนมาดูดูคารืหาดอะไรแต่ไรนี่โอ้ยโลกมายาจริงมาท่อนเดียวเนี่ยนะฮะช่องเก้าในฉากเขาเยอะเลยเกินนะฮะมีมีนอกประตูในอข้างนอกข้างในโลกมายาจริงไม่มีอะไรเลยเนะมีอะไรเลยเอาไม้มาปักปกักเขียนผ้าเป็นสีเข้าถ้าคารืหาดก็ทําบันไดใหญ่ๆน้อย นะแล้วก็จับกล้องอยู่ตรงนั้นอย่าไปเชิดขึ้นสูงนะั่นไม่ได้นะไม่อีกชั้นหนึ่งมันไม่มีอีกชั้นหนึงมีนี่คือโลกของมาหยาแล้วเราก็ไปเพลินกับเรื่องเหล่านั้นนะนับจากยีตะวาดีตะวิสู่กัศนาวิสูก่กัฎษนานี่คือไปอดูการฟ้อนรํากับร้องข้อมดนตรีต่างๆไอ้ข้างล่างนับจากยีตะวาดีตะนะครอันนั้นเราเองนะเราทําเองเราเอาออแกนมาเป่าเราเอาเปียนโนมาเล่นอะไรทั้งนั้นี่เราทําเองแต่วิสู่ทัศนาแล้วก็ไปนอน กาประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยระเบียบดอกด้วยระเบียบอะไรต่างๆอาจารย์นั้นเราเราไปคิดว่าดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทามไม่ใช่ใช่ดอกไม้ของหอมน่ะเขาพูดยกตัวอย่างมาลานั้นคือเครื่องประดับเครื่องประดับอะไรก็ตามไม่ใช่ว่ามาลาคือพวงมาลัยอย่างเดียวนะอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องประดับที่เป็นการส่งเสริมให้คนหลงผิดเข้าใจผิดนะฮะว่าเกิดสวยเกิดงามก็วรวมรวมอยู่ในชุดของมาลาทั้งนั้นแหละ ทั้งนั้นทั้งนี้ได้โปรดเข้าใจว่ามันไม่ใช่จนถึงกระทาตัวให้ซิดมอมแแมมนะพอรักษาศีลโโบโสถแล้วแหมผมเผ่าก็ไม่ชาระสางเสื้อก็มอมแแมมไม่ใช่อย่างนั้นนะศาสนาไม่สกโปรกอย่างนั้นนะต้องสะอาดสะอาดเรียบร้อยเป็นผู้ดีนะฮะเรียบเรียบเนี่ยเป็นผู้ดีบางคนแหมขนาดว่าจะเอาที่พึ่งอะไรทาปากแต่ น, น่อยก็ไม่กล้าทาเพัวผิดศีลไม่ถึงขนาดนั้นนะมันจะเคร่กเกินไป ดูว่าเป็นผู้เป็นคนหน่อยเลยกันนะี่ยคือมันให้มันเรียบร้อยอะ่ะสรุปให้เรียบร้อยไม่ได้ผิดศีลขนาดละอาคาเอกศีลของชาวบ้านอย่าลืมว่าชาวบ้านอะ่ะอาคาระยะบินยนยศีลของชาวบ้านข้ออับพลมจริงๆอะ่ะก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะแม่ก็ยังอุ้มลูกได้อุ้มลูกผู้ชายได้นะแล้วก็พ่อก็ยังถูกต้องญาติพี่น้องผู้หญิงได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องเพศธนะั้ชอย่าลืมวาคนศีลคนระดับ อาพรามเหมือนกันกับของเนนนะฮะแต่เนนถูกต้องไม่ได้เนนถูกต้องไม่ได้พระนั้นไม่ต้องพูดนะฮะคือว่าเนนเองเนนเนนศีลสิบศีลเหมือนกันแต่ว่าเนนประนีตกว่าเพราะคนละศีลกันเนนศีลนักบวชพระชาวบ้านนั้นศีลศียลปกครองเรือนทีนี้ที่นั่งที่นอนที่สูงใหญ่อะไรก็เหมือนกันนะครับคือหมายความว่าตัวการจริงๆนั้นไม่ให้กระตุ้นราคะเท่านั้นทีนี้บางครั้งบางคราวเนี่ย บางคนก็เคร่งเกินไปนะไปหนึ่งไปถึงโรงพยาบาลและนอนเตียงไม่ได้นี่ยัดมีมีมนุ่นจับมีหรือเปล่าจะตายไม่ตายเลยนะมันยุ่งไม่ค่าเรื่องอะ่ะอาสนะเขามียังไงมันก็นอนไปอย่างนั้นนั่นเขาเรียกวเป็นของครือข่ายเขาไม่ใช่ของเราะของครือข่าอย่างว่าพระบางองคนี่บางทีสมเด็จรามนาท่านมีลายประหารตันิไปขึ้นไปบนธรรมธาตุปรากฏว่าเบาะมีนุ่นสงสัยมีนุ่นสั่งให้เขารือ้อเดชรามนาท่านจับมากไปดอนบรอยมันมากไป มันไม่ถึงกัขนาดนั้นหรอกนะก็เอาสมับนั่งเราไม่ได้กําหนดอะไรเป็นของเราอะไรนี่นะก็นั่งไปก่อนนะเสร็จแล้วก็เราก็เลิกเราก็วางอยู่ตรงนั้นเองคือสรุปว่ามัชชิมานะฮะถ้าไม่ดังนั้นเราเป็นนิการถาอุโบสถอนะแม้แต่อายุย่อุโบสถเองถ้ารักษาโงโงงมันก็เป็นนิคันถาอุโบสถไปเลยแต่ที่จะมีการพัฒนาก้าวหน้าทั้งฐานอะไรจะในขณะเดียวกันก็ไม่ควรเป็นโคปาลอุบาสกไอ อ, อุโบสถนะบางคนเป็นห่วงเป็นใ ย, ยเรื่องกินจริงๆน้ําเต้าหู้ชั้นได้ไหมเจ้าคะ เอานาย น, นั่นฉั้นได้ไหมเป็นยุ่งมาทำไมเรา อ, อะไรอุตส่าห์ไปรักษาสีตีนตุ่มโสดแล้วเป็นห่วงเรื่องกินกันอยสงสัยก็อยากกินมนะันอ่ะเดี๋ยวเนี้มันมันไม่ได้มีปัญหาอย่างสมัยพุทธกาลนี่นะเดี๋ยวนี้ของเครื่องเครื่อ ง, องดื่มนี่มีเยอะแยะไปหมดเลยที่จะประทังความหิวได้ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยอย่างสมัยพุทธกาลก็มีน้ําตากลกรวดน้าตาลอะไรนเนี่ยน้ําตากลกรวดก็อมก็ได้ชั้นก็ได้นะะ แล้วบางคนนี่เกินไปนะฮะท่านบอกว่ามขขีของของของขบเคี้ยวพ อ, อน้ําตาลก็ไม่กล้าเคี้ยวน้าตาลกรดก็ไม่กล้าเคี้ยวกลัวจะขาดดีนเกินไปแล้วมันไม่ได้อย่างนั้นหรอกนะคือของขาธนิยังโพจเนียขายจเนยะโพจเนยะในของขอบเคี้ยวเนี่ยของบริโภคเนี่ยหมายถึงอาหารหมายถึงอาหารเหล่านั้นเขาเรียกว่าของขอบเคี้ยวเป็นภาษาเรียกอาหารแต่ไม่ใช่ว่าจะขบจะเคี้ยวอะไรไม่ได้ญ้าล่ะทําังไงทีนี้ ยาบางอันเดี๋ยมันต้องกัดเดีก่อนนะฮะมันมั น, ม, นมันละลายพวกทําลายแก๊สกับเพาะอะไรเลยไม่ต้องเคี้ยวมนะันนี่ยปล่อยมันไปละลายเอาเองโดยธรรมชาติพอดีตายเลยเกอคื อ, ค อ, คอมันมันต้องเข้าใจในเจตนารมของศรรีลเจตนารมของศีลพระพุทธเจ้าบัญญัติไม่มีปัญหาเราเราไปทําปัญหาเองบางทีเนี่ยเรารักษาระยะอุโบสถมันก็กลายเป็นนิกน่การถอุโบสถบางทีก็ไปเป็นโควตาแลอุโบสถหายไปเลย รกระสานแล้วเจ้าบกคุนขอให้ถูกหวยทีเถอะมันจนแล้วเกินแล้วลูกช้างก็ไปช่วยหน่อยเถอะไปนู่นเลยรกระสาศีลนิดเดียวยังไม่ได้วันหนึ่งก็คืนหนึ่งเราไปขอแล้วงั่นนั้นนันเป็นโคปาระอุโบสถคือเลี้ยงเลี้ยงโคก็ยังไม่ถึงครึ่งวันเราขอรับเงินเดือนก็รับเงินค่าจ้างเลี้ยงแล้วนะ่ยมันก็ลักษณะอย่างงั้นนะฮะทีนี้ศีนเป็นอริยะอุโบสถเนี่ยมันก็อยู่ในสูตรเดิมนะฮะสูตรเดิมคืออะไรสูตรที่เจอเรื่องเรื่องศีลมาแล้วมาเจอตรงนี้ทั้ที คือสีนั้นต้องไม่ขาดต้องไม่ทะลุต้องไม่ด่างต้องไม่พร้อยนะฮะเป็นไทยแก่ตัวไม่รักษาแบบฉาบสวยนะไม่รักษาแบบฉาบสวยหรือแสดงแฟชั่นโชว์นะฮะแสดงแฟชั่นโชว์บางทีพระเราก็มีแฟชั่นโชว์เยอะนะฮะเดินบินธบัตติ่มติ่มติ่ ม, มไม่เหยียบ ม, มดไม่ตายอยียบควายขาหากักอ่ะมันเดินเกินไปแล้วว่าเดินอย่างคนเดินกันแล้วกันนะนะก็ธรรมดานะคนเดินยังไงคนเดินไม่เหมือนกันเดินอย่างนั้นนะธรรมดาธรรมดานะอย่าวกแฟกย่าสับส น, นก็นแ้กัน ไม่จําเป็นเนี่ยต้องเดินก้าวย่างหนอไอะไรดน่หนอหนอไม่ต้องหนอหรอกกลางถนนอ่ะรีบบินนบ่าเดีกลับวัดอั <c oughs> นนี้คือการปฏิบัติที่เป็นมันมันถูกกาลเทศะสติเราระลึกได้เร็วได้อย่างจงกรมจงเกล ม, มาลอะไรเพื่อนกันระลึกเร็วได้เนีะแล้วก็ไม่รักษาด้วยหน้าตันหานะอยากให้เห็นว่าเรานั้นเคร่งเรารักษาอุโบโสถศีล น, นะต้องมีลักษณะอะไรคือจิตโน้มน้อมก็หาสมาธิ กินนมน้องก็หมาสมาธิท่านจะเห็นว่าถ้าเรารักษาศีนเราขาดสมาธิมันก็ไม่เกิดใช่ไหมถ้าเราลูบคลำเราทําเฉยเฉยเราเตะท่าเฉยเฉอ่ะเราไม่ได้เก่งอะไรสมาธิไม่ได้เกิดมันยังหยาบแย่เลยทีนี้ถ้ารักษาด้วยตันหาต้องให้คนก็ดูจะก่อนจึงจะนั่งสงบทสงียบแต่คนไม่เห็นชั้นยังไม่เกิดไปไม่พร้อมที่จะสมาธิเลยมันไม่สมาธิอ่ะนี่เราเห็นเห็นว่าเป็นพฤติกรรมธรมธรมดาธรรมดานี่เองแต่พอคุมขึ้นมามันก็กลายเป็นศีล เป็นอริยะอุโบสถถ้าอยู่ในวิสัยที่จะรักษาได้ก็รักษาถ้ามาอยู่ในวิสัยที่รักษาได้เราจะเห็นว่าเอาเป็นโคปาละอุบาสกไปก่อนก็ยังดีนะฮะยังดีทํางานทำความดีแบบเด็กหรือเป็นนิการถาอุบาสกไปสัก่อนก็ยังดีเป็นเทวตาอุโบสถ ก, ก็ยังดีดีกว่าไม่ทําฮะดีกว่าไม่ทําแล้วคนเป็นอันมากที่เขาทําอะไรไม่ได้เลย ระดับโคปาเราโบสุพระพุทธเจ้าไม่ตำหนิได้เปรดตังเกณนะฮะจะมีอนุสงน้อยแต่นั้นเองได้มีอนุสงน้อยไม่ตำหนิการทําความดีทุกชนิดไม่ตำหนิส่วนผลจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่เหตุแหละนี่คือหลักในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านั้นมีปัญญาจริงมีบริสุทธิ์จริงมีกรุณาจริงใครสามารถขนาดนันเอาขนาดนั้นไปก่อนขนาดนั้นไปก่อนให้ยืนตัวได้ทั้งหลักได้วันนี้ก็ข อ, อยูติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามในธรรม จงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันทุกท่านเธอ